ชุมนมกันในวันนี้มันก็เน่งมาแต่ทุกคนก็ว่ามาทำบุญอายุหลวงปู่อายุครบแปดสิบปีในวันที่ 8, แปดมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบห้าความจริงเนี่ย อายุสังขารของคนเราเนี่มันก็เนื่องอยู่ด้วยบุญด้วยกรรมมันเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่แต่และบุคคลกระทำมาแต่ก่อนผู้ใดทำกุศลความดีมากทำความชั่วแต่น้อยผู้นั้นก็ย่อมมีอายุยืนยาวนาน ตามยุคตามสมัยผู้ใดทำกรรมชั่วมากทำบุญน้อยผู้นั้นก็ชอบจะมีอายุสั้นเพราะอำนาจแห่งกรรมชั่วมันบีบคั้นเอาเส้นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รู้จักหายรักษายอย่างไรก็ไม่หายหมุนี้นะก็อายุไม่ยืนเนี่ย ท่านเรียกว่าอุปปีรกากกรรมกรรมบีบขั้นถึงอายุไม่ยืนเมื่อเราจับเหตุปัจจัยของชีวิตได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปทำความชั่วมันจะมาตัดทอนอายุให้สั้นลงแต่มันไม่ใช่ตัดทอนในปัจจุบันนี้นะ ไอ้ที่ชีวิตที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ทํามาแต่ก่อนวันนี้กรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทําในปัจจุบนันนี้มันจะต้องไปให้ผลเป็นลูกปรธรรมนั้นต่งางชาติหน้าต่อไปแต่ให้ผลทางนามธรรมานั้นปัจจุบนันนี้เช่นผู้ทําดีอย่างนี้นะ ก, ก็ย่อมมีจิตใจเบิกบานผ่องใส คนนึกถึงความดีที่ตนทําว่ามันเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ผู้อื่นอย่างนี้นะก็จิตใจก็เบิกบานผ่องใสอันนี้เรียกว่าผลแห่งการกระทาความดีมันอนํานวยให้ในปัจจุบันผู้ใดทําความดีมากก็ได้ความอิ่มใจมากผู้ใดทําน้อยก็ได้ความอิ่มใจน้อยตรงกันข้ามมันนี่ผู้ทําความชั่ว กรรมชั่วมันก็ให้ผลทางด้านจิตใจในปัจจุบันเะนี่ยเรื่องกรรมชั่วนี่บางทีมันก็อาจให้ผลทางรูปธรรมในปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นอยงั้นเพราะกรรมบางอย่างเนี่ยอทําลงไปแล้วมันก็ให้ผมรู้จุบันเช่นอย่างว่าคนที่ไปขี้ปล้นเขาไปลักขโมยเอาของเขาอย่างนี้นะ เมื่อเจ้าหน้าที่เขาตามจับได้มันก็ต้องเดีไปติดคุกติดตารางนั่นเรียกว่ากรรมมันให้ผลในปัจจุบันมันมีอย่างนี้แหละแต่กรรมบางอย่างนั้นมันยังไม่ให้ผลเป็นบุคคลทําชั่วลงแล้วมันก็ยังไม่ปรากฏกราบเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรก็ยังสบายสบายอยู่อย่างนี้นะนี่เราเรียกว่า ในระยะนั้นน่ะกรรมดีมันยังให้ผลอยู่มันยังบำรุงร่างกายชีวิต จ, จิตใจอันนี้ให้มีความสุขสบายอยู่ดังนั้นกรรมชั่วที่ตัวทำในปัจจุบันมันจึงให้ผลไม่ได้นี่ก็เคยพูดบ่อยๆอยู่นันเนี่ยเพราะว่าคนส่วนมากมันก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องความเป็นอยู่ความสุขความทุกขน์นี่มันมีเหตุปัจจัยมาอะไร เพราะเหตุนี่แหละคนเรามันจึงได้ไปนับถือผีสางนางไม้นับถือเทวดาอินพรมก็เนื่องมาแต่มันไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตอันเป็นส่วนภายในนี่นะไปถือแต่สิ่งภายนอกตามข่าวลือกันตามคำพยากรณ์ของหมอไอ้อย่างนี้นี่มันเป็นเรื่องศาสนาพราหมณ์ ให้พา ก, กันรู้ไว้ไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเราไปนับถือสิ่งภายนอกเป็นที่พึ่งแต่คนไทยเรานะ่ะส่วนมากก็นับถือทั้งสองอย่างพุทธก็นับถือผีก็นับถือเทวดาก็นับถื อ, อ อย่างนี้อินพมก็นับถือใครยุให้ไปนับถืออะไรก็ไปตามเขาไอ้อย่างนี้นะนี่เพราะฉะนั้นจึงอยากจะพูดแล้วพูดอีกให้เรื่องที่พึ่งเรื่องการนับถือเขาปรากฏว่าคนไทยนี่มีหลายเปอร์เซ็นต์ใีเดียวที่หยิบเรือสองแคมอย่างที่ว่านี่แหละดังนั้นเรา ได้ประกาศหรือปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งจริงๆแล้วอย่างนี้นะก็เพราะเรามองเห็นคุณพระรตระกานี่ทรงพระคุณอันประเสริญยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดไม่ใช่เหรอน mm ั่นเอถ้าเรามองเห็นว่าพระคุณทั้งสามนี่ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งทั้งหมดในโลกนี้แล้วทำไม่เราจึงจะไปหันไป นับถือสิ่งอื่นแทรกแซงเข้ามาอีกอย่างนี้แหละคนคิดเนี่ยคนเราน่ถ้าหลายจิตหลายใจเราไม่ดีล่ะเหมือนอย่างคนหลายใจที่กล่าวกันมานั่นแหละไปทำชู้จากผัวทำชู้จากเมียรักคนไม่เลือกหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่าคนหลายใจอ่าอย่างนี้แหละ เป็นเช่นนั้นนะใครยกย่องล่ะไม่มีใครเขายกย่องว่าเป็นคนดีมันเป็นอย่างนี้แหละท่านกองเข้าใจถ้ารักเดียวใจเดียวอผัวเดียวเมียเดียวอย่างนี้ตลอดชีวิตไปนี่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็ยกย่องสรรเสริญอว่าเป็นผู้ที่มีสัจจะความจริงใจ พระพุทธเจ้าบัญญัติตอมันเป็นโทษนั่นนะก็เพราะเหตุว่าเรื่องเช่นนี้น่ะการกระทำอย่างที่ว่านั้นมันย่อมสแสลงใจของผู้อื่นมันไม่มันไม่ได้เป็นที่ชื่นชมยินดีของคนทั่วไปเลยคนทั้งหลายนั้นไม่เห็นดีด้วยสักหน่อยเดียว การทำเช่นนั้นอ่ะอย่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นมันถึงถึงชื่อว่ามันเป็นโทษนั่นแหละแสดงว่ามันไม่ดีแหละคนทั้งหลายจึงได้เห็นว่ามันไม่ดีจึงรังเกียจกันขึ้นอันนี้ทางกฎหมายถ้าหากว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยโดยเฉพาะว่าผู้ฝ่ายผู้หญิงเนะี่ยเอาเรื่องอย่างงี้นะมันก็ต้องผิดกฎหมายเว้นเสียที่สมยอมกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่กระตกกระตากเลยอย่างนี้มันก็ ม, นกมันก็แล้วไปแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งเอาเรื่องเลยอย่างนี่ก็ไม่ได้ต้องผิดมันเป็นอย่างนั้นอ้างว่าขืนใจไม่ได้พอใจสักหน่อยแต่บังคับเอา ไอ้อย่างนี้นี่แหละการที่คนเรานะ่ะไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วนะ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละที่มันรู้มันไม่ไม่รู้จักนั่นไม่ใช่ว่ามันไม่รู้นะรู้อยู่แต่ว่ามันรู้ไม่จริงแต่มันต้านทานต่ออำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้ ไม่ว่าแต่เรื่องนี้แหละเรื่องอื่นก็เหมือนกันนะอาศัยกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานอยากท่วมทนจิตใจนี่แหละจึงทำให้คนเราล่วงศิลล่วงธรรมอดทนอด้นทนไม่ไหวอ่าอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนี้แหละให้พระกันพิจารณ า, าให้เห็นอันบุคคลทาชั่วอยู่ในโลกนี่ มันล้วนตั้งแต่ทนทานต่ออำนาจของกิเลสไม่ได้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าเรื่องรักไม่ว่าเรื่องโกรธไม่ว่าเรื่องหลงเรื่องมัวเมาต่างๆหมดนั้นถ้าเวลาใดหากตนเกิดความพลั้งเผลอขึ้นมาใจห่างจากบุญจากกุศลเสียอย่างเงี้ย ใจมันหมุนไปตามอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจต่างๆเหมืนนี้มันก็คเปิดช่องทางให้กิเลสเข้ามาถึงจิตใจได้กิเลสมันไม่หนีไปที่อื่นนะมันหลบซ่อนตัวอยู่ในนั่นแหละแต่ว่าอาศัยคุณธรรมข่มไว้มันถึงไม่มีอิทธิพลมาครอบงำจิตได้เพราะว่าบุคคลละเลยต่อคุณธรรมอันดีงามอย่างว่านั่นแล้ว คุณธรรมอันดีงามมันถอนออกจากกิจใจนะกิเลบมันก็โผล่ขึ้นมาครา้องงำจิตทันทีเมันเป็นอย่างนี้สายเหตุที่คนเราจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกสงสารอันนี้นะก็เนื่องมาแต่เราไม่บำเพ็ญกุศลคุณธรรมอันดีงามให้แก่กล้าขึ้นในใจนี้เองนะ อืมไอล้ลาพังแต่ใจอย่างเดียวเท่านี้นะ่ะมีแต่ใจอย่างเดียวไม่มีคุณธรรมอันดีงามเนี่ยละกิเลสไม่ได้ขอให้เข้าใจออละไม่ได้เงินเป็นอย่างนั้นมันละไม่ได้เนี่ถ้ามีคุณธรรมอยู่ในใจเนี่ยมันก็ละได้ยกตัวอย่างให้ฟัง เช่อย่างว่าบุคคลผู้เจริญเมตตากรุณาเสมอเสมออย่างนี้นะเอะใจเป็นกุศลมีความเอ็นดูสงสารอยากจะให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันไม่ต้องการอิจฉาเบียดเวียนใครอย่างนี้นะเมื่อเมื่อเจริญเมตตานี้ให้ ม, มากขึ้นไปแล้วเวลาใครมาโย่ให้โกรธหรือมาชวนทะเลาะวิวาตต่างๆนี่ อำนาจแห่งเมตตาธรรมนั้นมันจะทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นได้เลยว่าอืมเกิดไปตอบโต้กันขึ้นเดี๋ยวก็เป็นกรรมเวนเวรผูกพันกันไปไม่รู้จะกกจบจากสิน้นก่อทุกข์ให้แก่กันและกันทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้นะเมื่อระลึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่โตอตอบมันก็อดทนไปได้ นี่แหละพราะอาศัยเมตตาธรรมกรุณาธรรมน่ะเป็นกำลังใจทําให้อดกัน้นทางกานต่อคําด่าว่าเสียดสีของผู้อื่นได้นี่พากันนั้นแล้วคุณธรรมอันดีงามมันถอนออกอาศัยคุณธรรมเป็นกําลังใจจึงละกิเลสบาปธรรมได้เอถ้าลองลองใจนี้ไม่มีเมตตากรุณาดูสิลองดูว่า ใครมายัวให้โกรธมันก็โกรธเลยอย่างนี้นะอ่นนเลยมันก็หงุดหงิดชุนเชียวไปเลยอะ่ะดังนั้นเลยให้พากันเข้าใจว่าพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านี่เน่เป็นเครื่องการรจัดกิเลสปราพรธรรมออกจากกิจใจได้จริงๆนะิงอ่ะเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจ เราเรามีแต่จิตใจอย่างเดียวเราจะไปล่า ก, กิเลสนี้ไม่ได้เลยสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ไอคนที่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาน่นะส่วนมากไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจอะ่ะเช่นผู้ตกเป็นทาสแห่งความโลภอย่างนี้นะมันก็ไม่มีสันตดถีทธธรรมอยู่ในใจนี่ คือไม่ได้อบรมจิตของตนให้ยินดีตามมีตามได้เช่นนี้เมื่อบุคคลไม่อบรมจิตใจให้สันตุทีทำอย่างว่า น, นี้เกิดขึ้นในใจแล้วเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเลยเห็นสมวัตของผู้อื่นเขามีมากก็อยากได้อออยากได้เมื่อปล่อยให้มันอยากม า, มากเท่าเดียวมันกบ เมื่อคิดห า, า, า, าเอาในทางสุจริตไม่ได้มันก็คิดหาเอาในทางสุจริตช่อโกงเอาหลอกลวงเอาจี้ปล้นเอาความโลภบันงบังครับจิตให้ไปทำบาปอย่างที่ว่านั่นแหอให้ไปแย่งชิงเอาสมบัติเพราะอยู่ในเป็นของตนอะไอย่างนี้นี่ควรพากันคิดพิจารณาให้มันเห็น ถ้าหา ก, กว่าผู้ใดมีสันตุธธิธรรมอยู่ในใจอย่างว่านั้นแล้วมีน้อยก็ไม่ไหวนะสู้อำนาจแห่งความโลภไม่ได้ก็ต้องพยายามบำเพ็ญ ค, ความยินดีตามมีตามได้ให้มากเช่นอย่างว่าเมื่อมันไปเห็นสมบัติผู้น้องมากเข้ามันเกิดความอยากได้ขึ้นมาเห ม, มันไม่ใช่ของเราจะไปอยากได้ทําไม อันนั้นของเขามันเกิดด้วยบุญเขาแต่ชาติก่อนนั้นตนประมาททำบุญกุศลน้อยมันก็มาอำนวยผลให้ตามน้อยอย่างนี้นะแล้วแล้วเราจะไปยินดีในสมบัติของผู้อื่นอมันจะไปถูกต้องอยังไงก็ต้องยินดีในสมบัติของตนตนทำความดีมาได้เท่าไหร่ ความดีมันก็อํานวยผลใได้เท่านั้นเราก็ยินดีใช้สอยบริโภคอยู่ในสมบัติของเราเท่านี้แหละอืมมันถึงจะมีความสุขถ้าหากว่าไปยินดีในสมบัติพวกอื่นเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะการววางแผนที่จะต้องไปยื้อเยี่งเอาสมบัติพวกอื่นมาเป็นของตน่ะดีไม่ดีเขาฆ่าตายหรือไม่แสด น, นกับเขา เจ้าหน้าที่จับได้ก็ฟ้องร้องติดคุกติดตารางถ้าว่าบุคคลมาวิจารณ์พิจารณาเห็นโทษแห่งความโลภอย่างว่านี่นะมันก็ละความโลภอนันตลงได้มันก็นเหลือมาตั้งอยู่ในสันดุถีตามมีตามได้แล้วว่านี้นะตนหามาได้เท่าไหร่ก็บริโภคใช้ซอยประทานนั้นได้น้อยก็ใช้สอยตามน้อยได้มากก็ใช้สอยตามมากไป วันนี้จิตใจมันก็สบายอออย่างนี้แหละนี่แหละคุณธรรมนะขอให้เห็นอนุภาพแห่งคุณธรรมอย่าไปนึกว่าเป็นของกล้วยๆนะออไม่ใช่กล้วยแล้วให้คิดดูคนที่ไม่มีสันตุทิฏฐิทอยู่ในใจนี่แหละที่มันเบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี่นะมันแย่งชิงหลอกลวงกันตะกอทุกข์ให้แกกันและกันอยู่นี่ ไอคนที่ไม่เบียดเบียนอาสมบัติผู้อื่นหรือชีวิตของผู้อื่นอย่างนี้นั้นแสดงว่ามีสันตุถธธีทรรมอยู่ในใจสันตุถีปรามังทะนั่งคุณวะความยินดีตามีทมได้เป็นทรัรรรพย์ อ, อันประเสริฐนี่ขอให้พิจารณาดูพระวูติเจ้าตรัสว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐเพราะอะไร คือเมื่อบุคคลยินดีตามมีตามได้ในปัจจัยที่ตนแสวงหาได้มาโดยทางที่ชอบศีลชอบธรรมอย่างนี้นะบุคคลคนนั้นก็ไม่ไปทําบาปอะ่ะอแล้วยังมีจิตใจเผื่อแผ่ทําบุญกุศลเข้าไปอีกแบบนี้เมื่อสิ่งทรัพย์สมบัติอันไดที่ได้สละออก อ, อทํา บ, บุญเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต้นและผู้อื่นทรัพย์สมบัติ ทวนนั้นก็กลายเป็นบุญกุศลขึ้นมาเป็นทรัพย์ภายในเอ่กลายเป็นทรัพย์ภายในขึ้นมานี่แหละทรัพย์ภายในบันี้ตกน้าก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้โจรลักเอาไปก็ไม่ได้ติดสอยห้อยตามบคุคคลผู้นั้นไปเหมือนอย่างเงาติดตามตัวคอยอํานวยผลให้มีความสุขความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั่นนั้น เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐดังนี้เนี่ยอันการภาวนานะก็คือเมื่อเรานั่งภาวนาลงไปแล้วทำใจให้สงบลงไปแล้วมันก็ต้องพิจารณาดูกิเลสในหัวใจนี่นะอย่าไปพิจารณาอย่างอื่นเลย กิเลสอะไรบ้างที่มันมีอยู่ในใจนี่เหมือนกันที่ใจยังละมันไม่ได้สะสมมันมาถ้าหากว่าไม่เพ่งพี่นะไม่กรวดดูอย่างนี้มันก็มันก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าตนมีกิเลสอะไรครอบงามจิตใจอยู่นี่อย่างนั้นเนี่ยพรคนไม่รู้จากหน้าตาของกิเลสนี่แหละเอเดนเะมันถึง สะสมกิเลสไหนาแน่นขึ้นจนเป็นเหตุได้ทำชั่วพูดชั่วดังกล่าวมาดังนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในภาวนาเน่ะก็เพื่อเบื้องต้นนี่ก็เพื่อให้ฝึกกิจเนี่ยที่มันยึดมั่นในอารมณ์ต่างๆภายนอกคิดพุ่งส่้านเลื่อนลอยออกภายนอกนั่นนะมัก มาพยายามสำรวมจิตนี่เข้าไปภายในห้ามจิตไม่ให้มันคิดส่งออกไปข้างนอกอนี่นะเบื้องต้นแหละอันนี้นะเรามาสำรวมจิตอันนี้โดยเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติควบคุมจิตให้รู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอธิษฐานใจ มั่นอยู่ว่าเราจะรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้นแหละเราจะไม่รู้เรื่องอื่นเราจะไม่คิดไปอย่างอื่นเลยอย่างงี้นะเมื่ออธิษฐานใจลงไปนี่ลนะ้วก็เอาสิว่านีอน้อมสติเข้าไปหาความรู้สึกอันนั้นนะไปประคองความรู้สึกอันนั้นว่าจะให้มันคิดจะให้มันปรุงแต่งไว้ทั้งอื่น ให้มันกำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นไปก่อนนี่หมายความว่าเราควบคุมจิตใจให้กำหนดรู้แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้มันไม่มีโทษอะไรแบบนี้นะการที่คิดสงสัยไปในเรื่องภายนอกนะั้นมันมีโทษให้เกิดความยินดียินร้ายความโกรธความเกลียดอะไรขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดความห่วงใยอะไรนี่ ส่วนที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันสบายมันไม่มีห่วงมีใ ย, ยอะไรมันไ ม, ม, นไม่มันไม่เกิดความรักความชังความโกรธอะไรความทุกโศกก็ไม่เกิดเราพิจารณาดูให้เห็นแล้วผู้ทำเท่านั้นแหละถึงจะรู้ถึงจะเห็นผลได้ผู้ไม่ทำก็ไม่เห็นหละไม่ไม่เห็ น, หนด้วยตนเองเลย ผู้ใ ด, ดทาแล้วนั่นก็ย่อมรู้ว่าเออการเพ่งลมหายใจเข้าหายใจใจออกอย่างนี้นี่มันทำใจให้สงบได้เร็วเพราะว่าสติมันเข้าไปใกล้ชิดกับดวงกิเเลยเข้าไปถึงกับความรู้นั่นเลยนะนั่นแหละสติมันไปครอบประครองความรู้อันนั้นไว้ เหตุฉะนั้นจิตมันถึงได้สงบลงเร็วอืมอันกรรมฐานนั้นพระองค์เจ้าก็ทรงแสดงไว้หลายอย่างอยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าบุคคลใดยังทําใจให้นิ่งให้สงบยังไม่ได้จะไปเพ่งกรรมฐานอื่นๆมันก็เพ่งไม่ได้ไม่เห็นซ้ํานะเพราะว่าใจขุ่นมัวอยู่แล้วนีน่จะไปเพ่งอะไรก็ไม่เห็นเลยอันเนี้ที่ท่านสอนใ้ เพ่งร่างกายอย่างนี้เพ่งไม่เห็นเพราะอะไรอ่ะก็เพราะกิเลสมันหุ้มห่อจิตใจลราใจมัวหมองอ่ะเหมือนอย่างตาเรามีฝ้าปิดบังอยู่อย่างี้นะแล้วเราจะมองอันสิ่งอื่นมันก็มองไม่เห็นเลยอมองเห็นก็พอมัวๆเงี้ยไม่ชัดไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรเป็นจริงยังไงไม่รู้นะมันมัวนี่ ในพอไปลอกฟ้านั้นอกอกจากตาได้แล้วอย่างนี้มีแต่ตาอันบริสุทธิ์อยู่ไม่มีฟ้าปกปิดอยู่งี่มันก็เห็นวัตถุต่างๆได้กระจ่างแจ้งเลยอืออันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตของคนเรานี่น่ะเมื่อยังสะสมกิเลสหรืออารมณ์ต่างๆไว้อยู่นี่กิเลสก็หุ้มหอม่อก็มัวหอมองอยู่นั้นนะ แล้วเราจะไปเพ่งดูร่างกายเนี่ยมันจะไปเห็นได้ยังไงอ่ะอ น, นั่นแหละเห็นไม่ได้เห็นก็พอมวัวเนี่ยไม่แจ่มแจ้งเลยขอให้เข้าใจอย่างนี้ผู้ดใดเข้าใจอย่างนี้นะมันจึงจะขยันภาวนาเพราะว่าเมื่อปล่อยให้กิเลสมันครอบงำจิตใจให้มัวหมองแล้วอย่างนี้นะมันเป็นทุกข์อ่ะใจคนเราที่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ก็เพราะมันมัวหมองนั่นแหละ มันโมหมองด้วยอำนาจของกิเลส ม, มันจึงเดือดร้อนผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษของกิเลสอย่างว่านี่เออจริงนะที่เราเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสเช่นอย่างว่าเมื่อใครทําอะไรไม่พออกพอใจอย่างนี้โกรธขึ้นมาแล้วเอาแล้วไฟแห่งความโกรธมันเผาเอาใจกะระโจนกระวนกระวาย นี่ไม่เป็นอันนั่งไม่เป็นอันนอนอจนได้ไปทะเลาะกับคนนั้นเสียจด่าว่าเอาตอบโต้กันซะกับคนนั้นแล้วจึงพอเบาใจไปบ้าง อ, อย่างนี้นะเบามันก็เบาไปแต่อารมณ์ภายนอกเฉยๆแต่ว่าเชื้อของความโกรธมันมีอยู่ในหัวใจนั่นเป็นไปอย่างนั้นนี่แหละ เมื่อเราภาวนาแล้วพิจารณาเห็นฤทธเดชของกิเลสอย่างนี้มันก็น่าเบื่อสี่ไอความโกรธงุดงิดจิตใจต่งตางๆนา้นไม่ใช่เป็นของดีนี่บางไอคนที่ไม่รู้นะก็ว่าเป็นเรื่องธรรมดาอืคนเรานะ่ะเมื่อไปพอใจมามันก็โกรธเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าไม่นึกว่ามันเป็นโทษเป็นภัยอะไรนี่ แตุฉะนั้นคนเราน่ะมันถึงดิแสดงความโกรธความเกลียดอะไรต่ออะไรออกมาเรื่อยไปโดยที่ไม่ละอายใครไม่เกรงกลัวใครเลยนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่แท้แล้วมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วมันเป็นเรื่องความชั่วมันเป็นบาปมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจเดือดร้อนใจ ในเมื่อเราทำใจสงบลงไปได้แล้ววะนี้พิจารณาเห็นโทษในความโกรธจริงจังลงไปอย่างนี้มันก็เบื่อพรเบื่อแล้วมันก็คลายสิวะ น, นี้จิตใจนั่นนะไม่ยึดไปถือเอาไว้แล้วอารมณ์แห่งความโกรธต่างๆเอาใครสแสดงกิริยาอาการไม่ดีต่อตอนอย่างไรมาตนก็ให้อภัยไปให้อภัยแล้วเพื่อนไม่เอาเรื่องหรอกไม่ตอบโต้ห่างั้น เลิกแล้วแก่กันไปเลยอย่ามีเวรต่อกันและกันเลยเรานึกให้อภัยอยู่ในใจน้องก็ได้ถ้าไม่มีโอกาสที่จะพูดให้อภัยเขาอด้วยวาจา ก, ก็ดีเราให้อภัยอยู่ในใจนั่นแหะมันก็จิตใจของเราก็ปลอดโปร่งและวันนี้นะเมื่อเราให้อภัยยกโทษให้เพื่อนแล้วเราก็ไม่โกรธเพื่อน เราก็มีเมตตาแนละขอให้เพื่อนอย่าได้มาโกรธเราอย่าเบียดเบียนเราต่างคนก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งสิ้นนั่นเถิดอย่างนี้นะหากว่าเมื่อมีคุณธรรมอย่างว่านี่อยู่ในใจไอความทุกข์ความดร้อนเช่นนั้นมันก็ไม่เกิดแล้วนี้นะ ผู้มีเมตตากรุณาธรรมใจเย็นใจสบายอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนใครจะมายัวย่วยวนชวนให้โกรธก็ไม่โกรธยอมเอาัยให้ผู้นั้นเลยไปเลยแหละใครจะว่าเราโง่ก็ตามเพอพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้ตรัสว่าเป็นคนโง่นะดังพระพุทธภาษิตสิทธิทรงตรัสไว้ว่า อโกเทนชิเนโกทังหันาพึ่งเอาชนะความโกรธของผู้อื่นด้วยไม่โกรธตอบอย่างนี้แหละเพราะองค์เจ้าตรัสว่าการที่บุคคลผู้ใดโกรธเรามานั้นแสดงว่าเขาพ่ายแพ้ต่อความโกรธนั้นไม่ใช่เขาเอาชนะความโกรธถูกความโกรธมันบัญชา ออกมาให้แสดงกิริยาทางกายวาจาต่อบุคคลที่ตนเกลียดตนชังนั้นอย่างนี้นะไอ้วันนี้เมื่อผู้ที่ถูกเขากระทบกระทั่งเอานั้นก็มีความโกรธครอบงาจิตใจอยู่เช่นเดียวกันอย่างนี้อา้าวต่างเขาก็ต้องปล่อยความโกรธนี้ไปใส่กันปะทะกันเลยลงไปอย่างนี้นะ มันก็เหมือนกันก็นว่าต่างคนต่างเอาไฟไปจี้กันเข้าเงี้ยต่างก็ต่างเจ็บต่างร้อนนะเหมือนกันเลยออไม่มีใครเราจะไม่เจ็บไป่ร้อนนะอันนี้ท่านใดก็เหมือนกันแหละเอา้าวนายกโกดนายข้ออ้อาวนายขอก็โกรธตอบเนี่ยงนี้นายก็ร้อนใจในายขอก็ร้อนใจไม่มีเย็นใจเลยแต่ถ้านายกอ โกรธนขอด่าว่าตีเตียนมานายขออดได้ทนได้ให้อาภัยยกโทษไปนายขอก็สบายใจอืนั่นแหละก็สบายใจเพราะว่าตนไม่รับเอาความชั่วของเพื่อนมาไว้ในใจของตนด้วยแล้วก็ตนก็ไม่ปล่อยความชั่วของตนให้ไปทิมแทงผู้อื่นให้เจ็บใจด้วยเมื่อคิดเห็น ความเพียรความสามารถของตนเอาชนะความโกรธได้อย่างนี้มันก็สบายใจจิตใจกบบ็เบิกบานผ่องใสขึ้นมานี่นี่ยกเหตุผลให้ฟังว่าไอบ้บุคคลที่จะละกิเลสได้นั่นน่ะมันก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ประกอบด้วยบางคนว่า ม, มันก็ต้องอาศัยปัญญาที่ว่างั้น อันปัญญาเนะี่ยมันยังเกิดไม่ได้ในเมื่อหากว่ากิเลสยำยำนี่มันยังมีอยู่มันต้องอาศัยคุณธรรมเหล่านี้เป็นกำลังช่วยก่อนทำให้กิเลสเหล่านี้มันอ่อนกำลังล ง, งนี่นะเมื่อกิเลสเหล่านี้มันอ่อนกาลังลงแล้วจึงใจสงบเยือกเย็นเราใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาว่าความโกรธนี่มันเกิดมาจากอะไรเหตุผลมันเป็นมาอย่างไรนี่ ค้นหารากเง้าของของความโกรธนั่นมาเนี่มันก็มองเห็นได้มันเนี้นะเมื่อใจผองใสขึ้นมาแล้วมันก็มองเห็นรากเง่าของความโกรธมันมาจากไหนความรากเง้าของความโกรธนั่นนะงมันมันมาจากอุปนิสัยที่เคยชิน เ, เมื่อตนเคยแสดงความโกรธมาแต่เบื้องต้นนั่นนะ ตั้งแต่ชาติก่อนหุนหลังนุ่นมาเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นโทษ่นความโกรธนั้นก็แสดงความโกรธออกมาเรื่อยๆในเมื่อใครทำอะไรไม่พอใจนะอย่างนี้นะไม่เห็นโทษ่นความโกรธนั้นไม่เพียนละมันเลยอยันนี่ความโกรธมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นแหล ะ, ะชาติหลังนุ้นกว่าสะสมมาเออมา น, นี่เกิดมาชาตินี้ ไอ้กิเลสตัวนี้ที่สาสมมธตลอมันก็มันหนุนให้เกิดความโกรธขึ้นในชาตินี้อีกอย่างรุนแรงนี่นั่นแหละความโกรธนั้นมันเกิดจากความไม่พอใจมาแต่ขั้งแรกนู่นแต่เมื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ชาติใดก็ไม่รู้แหละอนั่นแหละมันเนื่องมาแต่คนเรานั่นน่ะไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่ เหตุนั้นจิตใจมันถึงได้วันไว้ไปตามอารมณ์ที่น่ายินดีอารมณ์ที่น่ายินร้ายต่างๆนี่นะถ้าท่านผู้ใดรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่แล้วอย่างนี้ก็จะไม่ยินดียินร้ายจะไม่โกรธเกลียดไปตามอารมณ์เหล่านั้นรู้อย่างไรวะเอา้าไอ้ความชั่วนะมันก็มีจริงมีมีอยู่ในใจของคนเรานี่แหละ มีอยู่ในโลกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่แหละมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งเนี่ยเช่นอย่างความโลภอย่างนี้นะมันก็เป็นความจริงอันหนึง่งมนุษย์คือจิตใจของมนุษย์หรืสัตว์ทั้งหลายมันสร้างขึ้นมาเพราะมันยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจจะทำอย่างว่านั่นเลยมันจึงได้สร้างความโลภนี่ขึ้นมานี่มันก็เป็นเป็นธรรมของจริงอันหนึง่งอันนี้นะอ่า แต่จริงโดยสมมุตินะมันเป็นยังไงเมื่อบุคคลมารู้ความจริงอย่างนี้แล้วก็พิจารณาเห็นโทษของมันบ้านี่อ้าความโลภที่จิตใจสะสมอยู่นี่มันมีโทษอย่างไงบ้างนี่อ๋อมันมีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นความโกรธก็เหมือนกันนะเมื่อไปยึดถือเอามันไว้แล้วมันให้โทษอย่างไรบ้างเอ้ามันให้โทษอย่างนั้นมันให้ทะเลาะวิวาทกันให้ ค่าการเบียดเปลี่ยนกันและกันผูกเกล็นกันอย่างนี้นะอ๋อเมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วก็ อ, อ๋ถ้าอย่างนั้นแล้วควรจะยินดีพอใจในความโกรธหรือไม่ี่ปัญญาถามใจใจก็จะต้องตอบว่าไม่สมควรเลยเพราะมันให้ทุกข์ให้โทษถ้าเช่นนั้นแล้วควรเห็นยังไงอ่ะควรเบรื่อหน่ายนะเมื่อเมื่อเบอื่อหน่ายแล้วก็ควรคลายความยึดความถือ ไม่ถือมันไว้เมื่อมันไม่ถือไว้แล้วก็หมายความว่าพยายามถอนรากของความโกรธออกแล้ววันนี้น ะ, ะเมื่อไม่ถือมันนเวลาใครแสดงความโ ก, กรธกระทั่งมามันก็ไม่มีแก่ใจที่จะโกรธตอบแล้ววันนี้เพราะตนถอนรากมันออกนี่ไม่ยึดถือเอามันไว้เนี่ยเมื่อมันไม่ยึดถือมันไว้มันก็เหี่ยวเฉาตายสิ อกิเลสนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างต้นไม้ที่เราปลูกขึ้นในดินใหม่ๆอย่างนี้นะอถ้าไม่รดน้ํามันมันไม่มีอาหารเอจะหล่อเลี้ยงมัน น, น้ําไม่ซึมซาบเข้าไปหล่อเลี้ยงรากโคนของมันะมันก็หิวเข้าไปเฉาตายเท่านั้นเองนะะอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละบรรดากิเลสทางหลายนี่มัน เมื่อใจยังชอบกับกิเลสอยู่ตราใดแล้วยังยินดีกับมันอยู่แล้วมันก็งอกงามเจริญอยู่ในจิตใจอย่างนั้นอมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าจิตนี้เห็นโทษกับมันเบื่อหน่ายมันมากมากเข้าไปแล้วเมื่อหนาด้วยปัญญาแล้วมันมันก็เหี่ยวแห้งไปนะใจใจไม่ส่งเสริมมันนะไม่ส่งเสริมสิเส้นยางว่าใครมาชวนทะเลาะเราไม่เล่นด้วยอย่างนี้นะไม่เอาแล้ว หาทางดีอีกเรี่ยงนี่ก็แสดงว่าเราไม่ส่งเสริมความโกรธนะเนี่ยนะไอ้เข้าใจไอ้ความโกรธมันก็อ่อนกําลังลงสิป่ะ น, นี่ไม่ส่งเสริมมันนะมันเป็นอย่างนั้นแหละขอให้เข้าใจแสดงว่ามีมีอยู่ที่จิตใจเราไม่ส่งเสริมมันอกิเลสทุกอย่างนะไม่ใช่แต่ความโกรธแหละความโลภความหลงอันใดก็ตามนะมันล้วนตั้งแต่ เกิดจา ก, กจิตใจของเรายึดถือเอามันสร้างมันขึ้นมาเหตุที่ใจมันจะสร้างกิเลสขึ้นมาก็พกกงงานะเพราะไม่ได้ฝึกให้มันส ง, งบออย่างนี้นะให้เข้าใจไม่ได้ฝึกให้มันสงบแล้วไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้ค้นหาเหตุหาผลอดังกล่าวมาแล้วนั่นนะเหตุกิเลสเหล่านี้มันจะเกิดมันมาไงเป็นยังไง ถ้าหากวาพัฒนาไปแล้วมันก็มีหลายสะเหตุที่จะให้จิตใจสร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นมานะเริ่มตั้งแต่ความไม่สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกกลิ่นกายใจปล่อยให้ตาเห็นรูปแล้วให้เกิดความยินดียินร้ายในรูปนั้นนี่อย่างนี้นะหูได้ยินเสียงจมูกได้สูดกลิน่น ลิ้นได้รับรสอาหารกายะสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอดไก็ดีหมูเนี่ยแล้วปล่อยให้ใจมันหลงยินดียินร้ายไปตามเมื่อมันยินดียินร้ายมากๆเข้าไปมันก็เกิดเป็นความโลภความโกรธขึ้นมาแล้วเอเป็นเหตุให้คนเราได้ทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองเอ่าทำให้จิตเป็นทุกข์เดือดร้อน มันนี่มันล้วนตั้งแต่เป็นบอ่อเกิดของกิเลสทั้งนั้นเลยถ้าบุคคลไม่รู้เท่านะอะ่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นและขอให้พากันเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วสรุปลงได้ยังไงบัดนี้อ่าทานที่ฟังโอวาทธรรมคำสอนมานี่จับใจความได้ยังไงนี่นั่นแหละ เราต้องให้ได้ใจความใจความนั่นก็ทุกคนนะให้พิจารณาตัวเองว่าไอเราท่องเที่ยวมาในสงสารนี่นะมันยึดเอาทางความดียึดเอาทางความชั่วติดตัวมาทุกคนแหละมันเป็นยางไงบางชาติเราเกิดมาไม่ได้พบพุทธศาสนาเลย ไม่มีใครสอนให้เราละความชั่วทำความดีก็เลยอยู่ไปตามยถากรรมเจอดีก็ทำดีไปเจอชั่วก็ทำชั่วไปอย่างนี้นะอแลว้ววานนั้นเกิดมาในโลกสันนิวะนี้มันจึงได้รับผลทั้งสองอย่างได้รับผลทั้งเป็นสุขทั้งเป็นทุกข์เนี่ยนะเมื่อเวลากรรมชั่วให้ผลก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปเวลากรรมดีมันให้ผลก็มีความสุขความสบายไป อย่างนี้แหละดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีความภาคภูมยามเพ่งสำรวจตรวจดูตนเองโดยการกทำสมาธิภาวนาทำจิตของตนให้สงบลงไปเมื่อใจสงบลงไปแล้วก็ใช้ปัญญาสำรวจดูตัวเองว่ามันมีความชั่วอะไรอยู่ในใจนี่นะมีความโลภอยู่ไหม ความโกรธมีมากน้อยเท่าไรความหลงล่ะหลงอะไรบ้างอย่างนี้นะอ่เราหลงเห็นผิดไปจากคำสองประตูเจ้าอย่างไรบ้างอย่างนี้นะมีไหม เ, เมื่อเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันมองเห็นแล้วว่านี่ออไอ้กิเลสอย่างนั้นตนก็ยังละมันไม่ได้ไอ้กิเลสส่วนนี้ทนละมันได้แล้วอย่างนี้ก็รู้อืา อ, อย่างนี้นะนี่แหละ ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพุทธศาสนานี่เป็นลาบอันประเสริฐจริงๆเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี่นะสอนให้เขาให้คนเรารู้จักดีรู้จักชั่วอืเมื่อละความชั่วได้แล้วตั้งใจทําความดีให้มองมาเข้าไปความดีมันก็จะไปตั้งมั่นอยู่ใน จ, ใจิตใจทําให้ใจสงบรังงับใจสงบรังงับอยู่ด้วยบุญกุศลแล้ว จะเกิดปัญญาอันประเสริฐขึ้นมาบบนี้นะออบุญกุศลนี่นแหละหนุนหลังส่งให้คนเรามีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสมมุติรู้จักวิมุตตมรู้ได้เพราะอาศัยการที่เรามารู้จักความชั่วละละความชั่วนั้นออกจากกายวาจาใจให้หมดไปนี่นะ แล้วความดีอันใดที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราลงมือทำเราก็ทำตั้งใจบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนให้เต็มความสามากของตนนะโดยเฉพาะเรื่องศีล น, นี่แหละสำคัญมากนะถ้าบุคคลได้เห็นคุณค่าของศีลแล้วรักษาศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปอย่างนี้แล้วนะควหมายความว่าะละคมชั่วนั่นเองเนะี่ย ผู้รักษาศีลกับหมายขอพยายามละความชั่วนั่นออกจากกายวาจาใจของตนอัตตะกอนนั่นได้ลุ่มหลงทําบาปมาทําความชั่วมางี้นะเอารอก็อธิษฐานใจขอให้ความชั่วบาปกรรมเหล่านั้นจงหมดไปสิ้นไปจากกิจใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นโทษของบาปกรรมเหล่านั้นแล้วไม่ปรารถนาที่จะยึดถือเอามันไว้แล้ว ขอให้บาปกรรมเหล่านั้นหมดไปสิ้นไปนี่เนี่ยเรียกว่าเพียรละบาปนะละบาปในหัวใจตรงนั้นอย่างนี้แล้วตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปอย่างนั้นต่อไปอีกด้วยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้ความชั่วบาปกรรมนั้นจงหมดไปสิ้นไปจากจิตใจข้าพเจ้าขอให้บุญกุศลคุณพระรัตน a g จงมาตั้งอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าให้มั่นคงเลยอย่างนี้นะ การที่เรารักษาศีลก็หมายความว่าตั้งใจจะวิลัตละเว้นจากกรรมมันชั่วมันต้องตั้งใจอยู่เสมอนะมันถึงได้นะถ้าไม่ตั้งใจอยู่เสมอเดียวๆก็ไปทำศีลขาดอีกแล้วนะมันไปอย่างนั้นเรื่องมันนะนี่แหละบทสรุปนะเมื่อเราละความชั่ไว้หมดแล้วมันก็ทำแต่บุญกุศลความดีจิตใจกระเบิกบานผ่องใส เราภาวนาโน้มนึกถึงกรรมฐานอันใดเป็นอารมณ์อย่างที่ว่ามาแล้วนึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อย่างนี้จิตมันก็รู้มั่นอยู่แต่ในลมหายใจเข้าออกนั่นอเพราะว่ามันไม่มีบาปมาแทรกแซงเนี่ยมันจิตใจมันจึงรวมลงง่ายแบบนี้นะที่จิตใจมันรวมลงไม่ได้ง่ายมันพอน้อมสติเข้าไปจะทำใจให้สงบลงไปหนึ่งเนี่ยมัน ไอบาปกรรมมันผัดหนุนขึ้นไว้มันส ก, กัดกั้นไว้ให้ลงไม่ได้มันเกิดให้เกิดความรู้สึกวุน่นวายขึ้นในใจอย่างนี้นะนี่อันบุคคลผู้มีบาปอยู่ในใจนะภาวนานะั้นไม่ไม่สงบได้ไง่ายๆนะแต่ว่าก็อย่าไปย่อท้อสิถ้ารู้ว่าใจตนไม่สงบอย่างนั้นนะรู้ว่าใจตนไม่สงบอย่างนั้นก็เอาเพ่งสู้ กับกิเลสป่ะนี่อันนี้คือกิเลสหรือบาปกรรมที่ตนได้ ท, ทํามาแต่ก่อนนั่นแหละมันจะมาครอบงำจิตใจนี้มันจะไม่ให้ใจสงบเมื่อใจสงบแล้วกิเลสนั้นมันอยู่ไม่ได้เลยมันจะต้องถอนออกไปนี่เหตุฉะนั้นมันต้องสู้เต็มความเต็มในฤทธิ์ของมันแหละเราก็สู้มันให้เต็มความสามารถของเราเช่นเดียวกันนี่เอาสิ เรายึดเอาพระธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นกําลังใจยึดเอาขันติความอดทนอย่างนี้นะเป็นกําลังใจเอาเมตตากรุณาแบบนี้เป็นกําลังใจเข้าไปเอาผลทานผลสินอะไรที่เรารักษามา่นนะเราอธิษฐานเอาความดีทั้งหมดแหละที่เราทํามาให้มาเป็นกําลังใจอืม เมื่อบุญกุศลความดีที่เราทำมาบาังเกิดขึ้นในจิตใจเราใจมันก็เข้มแข็งมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้สมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับอะไรบ้านี้ตั้งมั่นอยู่กับบุญกุศลที่ทำมาเรารวบรวมเอาไว้ในใจนั้นอย่างเดียวนะบุญกุศลคุณพระรัตนาไกรไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจอย่างเดียวนี่แหละเมื่อเราได้บุญคุณเป็นกำลังให้ล้ว มันก็เข้มแข็งใจอะตั้งมั่นลงไปไอ้กิเลสบาปธรร ม, มอะไรพวกนี้กระทั่งมาก็ไม่หวั่นไหวเี้ยเมื่อไม่หวั่นไหวแล้วมันก็ดับไปกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นนะมันก็ละงับไปเอจิตใจก็ตั้งมั่นรวมลงเป็นหนึ่งได้เมื่อกิเลสมันละงับไปจากกิตความรู้สึกนี้นะ่มันก็บาบอูซีแบบนี้นะความรู้สึกอนี้นะแล้วก็ปลอดโปรงอ่อย่างนี้ ลักษณะของสมาธิเนี่ยจิตใจปลอดโปร่งอิ่มไม่อยากได้อะไรในขณะนั้นน่ะไม่อยากคิดอะไรมีแต่สวยความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นอยู่เป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อฝึกกิตนี้ให้ตั้งมั่นด้วยดีได้แล้ววันนี้ก็มีเรื่องอะไรที่เราจะต้องการพิจารณาต้องการอยากจะรู้ใจเห็นอย่างนี้นะ แล้วก็นึกถึงเรื่องอ น, นั้นพอนึกถึงเรื่องนั้นมาจับเรื่องนั้นไดนเราพิจารณามันก็รู้เห็นแจ้งไปตามเป็นจริงโดยเฉพาะเรื่องขันห้านี่นะเมื่อเรานึกถึงขันห่าขันห่าก็จะปรากฏขึ้นมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็จะปรากฏขึ้นมาออย่างนั้นแล้วก็ แต่เห็นความจริงของขันหานี่ว่ามีเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วกับแปรผันในทรามกลางแตกดับในที่สุดไม่มีอะไรเหลือนี่เห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้เราวมก็นิพเกิดนิพิทาเบื่อหน่ายเราพิจารณาเอาจนมันเกิดนิพิทาเบื่อหนเหตุดังนั้นมันถึงมันจึงคลายความยึดความถือในขันห้าว่าเ ป, วเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเสียได้ นังแสดงมาขอจบโรงเพียงเท่านี้